ในการที่เราจะมาฝึกจะมาทำสมาธิโดยการตั้งสติขึ้นเพื่อให้สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาศัยคาสอนอาศัยแนวทางอาศัยวิธีการจากการที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนได้อธิบายเอาไว้การที่เราจะตั้งสติตั้งจิตขึ้นได้โดยอาศัยแนวทางต่างเหล่านี้ เราก็ใส่การฟังการฟังที่ผ่านมาที่เขาสอนสอนกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไหนบอกเขาสอนเขาเล่าให้เราฟังนั้นก็มาจากที่ประชเ้าสอนเอาไว้เวลาที่เราฟังคำสอนแล้วมีความมั่นใจในผู้สอนมีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพรุทธเจ้าแต่ความมั่นใจตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศรัทธา บุคคลที่มีความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระเจ้าว่พาพระเจ้าตรัสรู้จริงแต่คุณรู้ได้ไงก็ดูจากที่ท่านกระทำมาท่านกระทำอะไรมาบ้างเล่าให้ฟังบ้างสิในความดีความงามผ่านร้านผ่านนาวลองผิดลองถูกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลองมาแล้วทดสอบมาแล้วเอาเรอพอจะมีความมั่นใจในการตรัสรู้ถึงแม้เราจะยังไม่รู้เรายังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรทําได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ดูการกระทําของคนที่เขา ทำได้ทำดีแล้วก็พอจะมีความมั่นใจอยู่บ้างแต่ความที่เราจะมีความมั่นใจมีความเลื่อมใสในคำสอนของพุทธเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีความศรัทธาความศรัทธานี้มันจะตรงกันข้ามกันกับความลังเลความลังเลความเคลือบแคลงแต่ถ้ามีความลังเลความเคลือบแคลงก็จะไม่มั่นใจพอถ้าไม่มั่นใจแล้วเหมือนก็ไปไม่ถูกล่ะมันก็จะทาไม่ได้ เพราะในที่นี้ถ้าบอกว่าเราฟังธรรมะเราพิจารณาใคร้ครวนเนี่ยให้เกิดความมั่นใจทตามฝังให้เกิดความลงใจให้เกิดความปลงใจให้มีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสตินี่แหละเรื่องสมาธินี่แหละเรื่องสีนี่แหละเ ร, รื่องปัญญานี่แหละศีนสมาธิปัญญาพูดง่ายๆแต่ให้มีความมั่นใจตรง น, นี้ให้มีความเลื่อมใส แต่บางคนที่มีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในในคำสอนของพระเจ้าแล้วไม่ลังเลไม่สงสัยไม่เคลือบแกลงในคำสอนต่างๆแล้วสิ่งที่จะหวังสืบไปได้ท่านผู้ฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือเราจะมีจิตที่น้อมไปในการปฏิบัติน้อมไปในการปรารบความเปลี่ยนคำว่าปรารบความเพียรในที่นี้หมายถึงว่าก็เรารู้ว่าอันนี้มันทาอย่างนี้เรารู้แล้วว่ามันจะ ใช้งานได้เรารู้แล้วว่าถ้าเราตั้งสติขึ้นสมาที่มันจะเกิดขึ้นได้เรารู้แล้วว่าถ้าเรารักษาศีลแต่มันจะมีความไม่ร้อนใจรู้ในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มใส่นะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าคําสอนอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าจะทําได้ยังทําไม่ได้ยังยังไม่รู้ยังไม่เคยลองก็ลองทําซะความที่จะปรารบความเพี่ยนให้เกิดขึ้นการปรารบในที่นี้ก็คือเอามาการะทําเอามาส่งไว้ในใจ ออมากระทำมีความบากบนันไม่ทอดทุระในกิจแห่งกุศลธรรมคำว่าไม่ทอดทุระก็คือเอาใจใส่ในการที่จะรู้วาระจิตของตัวเองเอาใจใส่ในการที่เราจะเอาใจเนี่ยมาใส่ไว้ในลมหายใจเอาใจมาใส่ไว้ในลมหายใจเพื่ออะไรเพื่อให้สติมันตั้งขึ้นสติที่เราตั้งขึ้นมีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิอันนี้ เป็นไปได้อันนี้เป็นคําสอนของพระเจ้าอยูแล้ต่เรามีความมั่นใจตรงนี้เอางั้นจะลองตั้งสติขึ้นสิเอาตั้งสติขึ้นทํายังไงเอาใจมาใส่ไว้กับลมเอาใจมาใส่ไว้กับลมแล้วจิตมันก็มาอยู่ที่นี่มันอา จ, จะมีวอกแว ก, ว, กวุบวไปนั่นนี่โน่นบ้างเอาเราไม่ลืมลมหายใจแต่มันเหมือนกับดึงยืดยืดไปอ่ะเราจะมีความคิดนึกสิ่งนั้นสิ่งนี้อดีอนาคต เรื่องของสัมผัสทางกายเสียงที่มาจากข้างบ้านอะไรต่างๆแต่ถ้าเราไม่ลืมลมหายใจแต่ยังรักษาสติรักษาจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจได้เดีย๋ยวรู้ลมไปด้วยในขณะที่ถ้ามีเสียงมีความรู้สึกใดๆแต่ชื่อว่าเรายังไม่ลืมลมแต่แต่อันไหนมันจะมีกําลังดึงมากกว่าละ่ะแต่สิ่งนั้นมีกําลังดึงมากกว่าให้เราคิดอะไรเสียงอะไรใครทําอะไรหรือน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะลืมลมหายใจ แต่ถ้ามันดึงแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะลืมลราหมายใจและลืมแล้วก็เรียกว่าเผลสติจ้ะนี่พระเจ้าเคยเปรเียบเทียบเหมือนกับการที่ผูกสัตว์6ชนิดเอาไว้ในที่เสาเขื่อนหรือเสาหลักแต่ถ้ามันดึงแรงมากเชือกก็ขาดได้เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าบอกว่ามีภาษาความคิดเสียงแะไรต่างๆมากเกินไปมากเกินไปในที่นี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะหรือถ้าบอกว่าเราไปใส่ใจในสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นก็จะมีกํำลังขึ้นมา พอมันมีกําลังขึ้นมาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นลมหายใจที่เราพยายามตั้งขึ้นก็จะลืมไปสติที่เราพยายามตั้งขึ้นจากการที่มาสังเกตลมหายใจก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงสติ อ, อ่ อ, อนลงอ่อนลงเนี่ยเชื่อก็ขาดนี่ยมก็ลืมลมหายใจไปเราทำยังไงอย่าไปใส่ใจในสิ่งนั้นมากเราใส่ใจไว้ที่ไหนตะมุฟังจิตมันก็จนน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแ้่เราไปใส่ใจความคิดในเรื่องที่เป็นก้าม พยาบาทเบียดเบียนอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆจิตเราก็จะน้อมไปในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่มราก็ ค, คิดเรื่องพวกนี้เรื่อยแต่จิตก็จะน้อมไปอย่างนั้นเรื่อยแต่สิ่งนั้นก็จะค่อยมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องใส่ใจไปในความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องโดยกรารใส่ใจไปในความคิดที่ไม่พยาบาทใส่ใจไปในเรื่องที่มันจะไม่เบียดเบียนอาจจะคิดอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้คิดเรื่องที่มันดีๆเนี่ย สติมันยังพอจะตั้งขึ้นอยู่ได้เราก็ค่อยทําให้มันละเอียดลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆเราใส่ใจไว้ในลมหายใจพยายามจะสังเกตอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆไอสติที่มันเกิดจากลมหายใจตรงนี้มันก็จะค่อยมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแต่พอมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเงินเดืที่จะมามีอํานาจเหนือมันก็จะเปรียบเทียบกันแล้วลก็จะมีกําลังไม่กล้าแข็งเท่าและจิตเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้ แมเราจะมีความคิดนึกอะไรต่างๆการกระทำตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายความบากบั่นมั่นคงที่เราทำเรากระทำตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นวิริยะเป็นความเปลี่ยนเป็นความแก่กล้าอันหนึ่งที่เราค่อยๆทาให้มีขึ้นสติอาจจะมีไม่ได้เต็มที่ร0 0เซแต่ก็มีบ้างตรงนั้นตรงนี้ นะพยายามทำพยายามปฏิบัติแตนะ่ไม่ทอดทุระเป็นผู้ที่มีความบากบัน่นมีความภาคเพียรแต่เม่เวลาที่เราขับจักรยานนะท่านผู้ฟังเวลาที่เด็กเขาเห็นคนอื่นเขาขับจักรยานได้เนี่ยเด็กเขาเห็นคนอื่นขับจักรยานได้แล้วก็เอา้ามันขับได้ฮะเขาจะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งวเออฉันก็ต้องอยากจะขับได้เหมือนกันไม่กลัวแตนะ่ไม่เลืองเลไม่เคลือบแคลงว่าฉันจะทําไม่ได้แล้วก็ไปไง เขาก็กระโดดขึ้นจักรยานเลยแต่เขาก็พยายามที่จะทําแต่ไม่ได้อ่านคู่มือก่อนล่ะคู่มือการขับจักรยานไม่มีแต่ลองทําเลยเอาทําแล้วล้มทําไงถ้านผู้ฟังว่าเด็กเขาฝึกขับจักรยานล้มแล้วเขาทาไงเขาก็ลุกขึ้นใหม่เดี๋ยลุกขึ้นใหม่ทำใหม่เอาทําไม่ได้ล้มอีกทําไงก็ลุกขึ้นใหม่อีกทําอีกต้องล้มกี่ครั้งถึงจะได้ก็เท่านั้นกลางหลัะเหมือนกันเวลาที่เราพยายามจะตั้งจิตตั้งสติขึ้นเอ๊ะเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ยินคนหนึ่งเขาพูดว่า ไปทําสมาธิที่นี่ที่นั่นแมมจิตสงบคํามสองผู้เจ้าจนทให้ เ, หเป็นอริยบุคคลเป็นคนประเสริฐได้ให้เร า, า จ, จะยังไม่เห็นเราอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้ า, ถาพวกเรามีความรังเลเคลืบแคลงนะเราก็จะไม่ได้มาสนใจที่จะทําจะเป็นไปได้ล้อมก็ไปเรื่องใหม่ไป น, นั้นก็ลืมมันละจะไปสนใจเรื่องอื่นแต่ถ้าเรารู้จักฟังมีความมั่นใจมีความลงใจมีความเลื่อมใจแล้ว เอ้ยไหนคนอื่นทาได้ฉันลองทําดูนะเอตวัลมันก็ยังทําได้ไม่เต็มที่ใช่ไหมลืมบ้างเผลอบ้างฟุ้งบ้างเอาก็ทําใหม่แต่ตั้งขึ้นใหม่แต่เหมือนกับเด็กที่เขาล้มเวลาที่ฝึกกับจักรยานใหม่ๆเนี่ยก็ทําใหม่เราก็ฝึกใหม่บางทีมันลืมสติเผลอสติลืมลมหายใจไปเราก็ตั้งขึ้นใหม่เราเลิกได้เมื่อไหร่ก็ทําอีกแต่ความที่เราบากบั่นไม่ทอดตัวนี่แหละ เรีอกว่าความเพียนบุคคลที่มีความเพียนรักษาอยู่พยายามทํำอยู่เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปลองฟังคือเรื่องของส ต, ติสติเนี่ยจะเกิดขึ้นได้สติแบบทีบ่พอจะเป็นเนื้อเป็นหนังให้ใช้ให้กินให้ดื่มพอที่จะอาศัยได้นะครว่าพอที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังใช้กินดื่มอาศัยได้เนี่ยหมายความว่ามันก็ต้องมีกําลังพอสมควรกําลังที่จะเกิดขึ้นนี้ก็อาศัยจากการที่เราค่อยๆบากบั่น ค่อยๆฝึกค่อยๆ ก, กระทำํำบางคนที่เขาฝึกขับรถก็ได้แต่คุณก็ฝึกขับรถใหม่ๆอาจจะแบบมีความกลัวมีความระแวงมีความสงสัยตรงนั้นเอ้ยนี่มันปุ่มอะไรทํำยังไงยังไงแ ต, แต่พอฝึกขับไปจอดถอยหลังบ้างขับขึ้นสะพานบ้างขับถนนใหญ่บ้างออกต่างจังหวัดบ้างไปคนเดียวบ้างแถอยหลังเข้าซอยเล็กก็ได้แต่มีความชํานาญใน อุปกรณ์ต่างๆของรถแ ล, แล้วมันก็ไปคนเดียวได้สิมีความชานาญก็ไปคนเดียวได้ตั้งขึ้นได้อาศัยได้ในการขับรถตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราไปเองได้อาศัยการทํางานของตัวเองได้เช่นเดียวกันเวลาที่เราฝึกเราทําเราต้องรู้จักสังเกตเราต้องรู้จักในการที่จะค่อยๆทําไปพอทําไปทําไปเนี่ยสติมันก็จะค่อยๆตั้งได้มากขึ้นในเวลาที่เรานั่งสมาธิแต่ไม่ใช่ว่า ร้อยเปอร์เซนต์ในขณะที่เรานั่งสมาธิคุณนั่งสมาธิสามนาทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า30นาทีมันฟุ้งซ่านหมดเลยถูกไหมมันก็จะมีช่วงเวลาที่สงบก็มีนิ่งอยู่ก็มีช่วงเวลาที่มันฟุ้งซ่านมันก็มีเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราฟุ้งซ่านเราไม่ดีทําไม่ได้อา้าวเราพิจารณาดูเอ๊ะมันทำไมเป็นอย่างนั้นเอาไอ้จุดที่มันดีมันได้ทําดูมีไหมเออมันก็มีเหมือนกันเราก็พิจารณาจุดนั้นด้วยนะคือเราต้องเอาใจเนี่ย มาใส่มาพิจรารณาสังเกตสังกาดูจิตของเราว่าไอ้บริเวณที่ตอนที่มันทําได้ตอนที่จิตเราสงบไปเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราทำมาอย่างไงเราพิจารณาอย่างไรเราตั้งจิตไว้ยอย่างไรทําไมมันถึงทําได้ทําถูกเราก็สังเกตตรงนั้นแต่พิจารณาตรงนั้นแต่เราก็ทําอย่างนั้นค่อยค่ขยายผลแต่ผลที่จะค่อยขยายขึ้นขยายขึ้นจากเวลาที่เราอาจจะทําสมาธิได้สักไม่ถึง5นาที2อสานาทีเท่านั้นเอง แล้เราก็พิจารณาดูไอ้สอมนาทีนั้นเราทํามาอย่างไงสังเกตจิตอย่างไรเอาลมหายใจของเราไว้ตรงไหนเนี่ยมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่เราจริตของเรามาตั้งขึ้นอยู่ได้อย่างไรกินข้าวมากหรือกินข้าวน้อยวันนี้นอนหลับมากหรือนอนหลับน้อยสำรวจอินทรีย์หรือไม่อย่างไรฟังธรรมะบทไหนตอนไหนเราค่อยดูตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีส่วนสําคัญทั้งสิน้นในการที่จะทจําจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ มากก็ตามน้อยก็ตามแต่ระชาติเปรตตรงนี้เหมือนกับพวกอาหารที่เรากินนี่แหละแต่คนที่เขาปรุงอาหารเป็นพ่อครัวเนี่ยเขาปรุงอาหารแล้วเขาก็ต้องรู้จักสังเกตรสชาติอาหารว่าอาหารประเภทนี้ประเภทนี้คนกินชอบหรือคนกินไม่ชอบคุณใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆลงไปในอาหารเช่นเดียวกันอาหารในที่นี้แล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราทรําเราปฏิบัติ่ต้คุณใส่ส่วนผสมอะไรลงไปละ่ะ ใส่ซีอิ๊ใส่น้ำปลาหรือว่าใส่เกลือแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ใส่ลงไปแล้วทําให้อาหารแต่ละประเภทเนี่ยก็มีรสชาติแตกต่างกันไปมันก็กินกันอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเราก็ต้องดูว่าจิตของเราเนี่ยมันจะสงบในความสงบความเย็นใจความที่มีสติตั้งขึ้นได้เนี่ยคือความที่คนกินเขาชอบเราใส่ส่วนผสมส่วนประกอบอะไรเราต้องรู้จักสังเกตแต่ความสังเกตความไม่ทอดทุระตรงนี้คือความเพียร พอมีความสังเกตความไม่ท่าทุระมีกุศลธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมมันค่อยลดลงไปให้ความฟุ้งซ่านลดลงไปลดลงไปความที่คิดในเรื่องการปฏิบัติไปเบียนลดลงไปลดลงไปสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมากขึ้นมากขึ้นเอาสติเราค่อยๆตั้งขึ้นได้ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างความคิดที่เป็นไปในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนคนอื่นเริ่มมีเริ่มมีขึ้นพอมีขึ้นมีขึ้นแล้วสติเราเป็นกําลังขึ้นมา สติเราเป็นสิ่งที่อาศัยได้ขึ้นมาสติเราอาศัยได้เป็นกําลังขึ้นมาได้แต่ก็เรียกว่ามีเครื่องระวังรักษาจิตของตนเป็นผู้ที่สามารถระลึกถึงสิ่งที่ทําจําคําที่พูดและแม้หนานได้สติตรงนี้เรียกว่าเป็นกํำลังแตเรียกเป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งอินทรีย์ในที่นี้คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ที่คุณพอจะอาศัยได้แต่ตรงนี้ไม่ใช่หมายความไม่มีความคิดนะความคิดอาจจะมี ความคิดที่หลีกออกจากกามความคิดที่ไม่พยาบาทความคิดที่ไม่เบียดเบียนในสติที่พอจะอาศัยได้เอามีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบแต่ก็พอจะเป็นเครื่องที่ระวังรักษาจิตไม่ให้มันมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีวัดปุ๊บกว่าสามารถละสามารถวางได้ด้วยความรวดเร็วในสติตรงนี้ก็เรียกว่าพอจะกินได้อาศัยได้คือ เ, เป็นอินทรีย์คือสติเป็นกําลังคือสติที่เราตั้งขึ้น ในขณะที่เราฝึกเราทําอยู่ตอนเนี้ถ้าเาฟังฟังธรรมะไปด้วยแล้วก็เข้าสมาธิไปด้วยสมาธิที่บูรณาที่นี้แต่ถ้านนอนทำมันอาจจะเผลอหลับไปก่็ลุกขึ้นซะแต่ถ้านั่งหลับตาไม่ได้ต้องทํางานน้นงานนี้ก็จะยืนหรือจะเดินจะลืมตาก็ได้เพราะว่าสติของเรามันอยู่ที่ใจใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ในกายนี่แหละจะไปอยู่ที่ไหนอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นให้มันอยู่ในกาย ให้อยู่ในกายสังเกตดูรู้ลหมหายใจอยู่จะทำงานอะไรก็ไม่เป็นไรละ่ะจะลืมตาหลับตาก็ไม่ว่าแต่ขอให้ตั้งสติของเราขึ้นตั้งสติให้ดีดูให้จำให้มั่นการที่เราตั้งสติขึ้นอย่างนี้แล้วสิ่งที่จะหวังได้เกิดขึ้นต่อไปแต่พอมันเริ่มเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกำลังขึ้นมาเราสามารถที่จะวางอารมณ์นั้นได้วางอารมณ์นี้ได้จึงจะเข้าถึงความเป็นอารมณ์อันเดียว เข้าถึงความที่สามารถหลุดออกจากอารมณ์นั้นหลุดออกจากอารมณ์นะี้คือการที่เรารู้นะว่าอารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วคุณมีสติตั้งขึ้นอาจจะยังรับไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ทราบก่อนขอให้อย่างน้อยมีไม่ลืมลมหายใจ่นะมีลมหายใจอยู่มีความคิดบ้างมีลมหายใจอยู่มีอารมณ์ความรู้สึกชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ไม่ลืมลมมันไม่ถึงกันแต่ว่าดึงเราหลุดจากลมไปได้ อันนี้แสดงว่าเริ่มมีสติมีกำลังละเอาเราทําไปทําไปสิ่งที่จะหวังได้จะตามมาได้คือเราจะวางอารมณ์นั้นได้เราจะหลุดจากอารมณ์นั้นได้การที่เราวางเราหลุดหลีกออกจากอารมณ์นั้นเนี่ยแสดงว่าเราไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์นั้นละเราเป็นผู้เดียวเราเป็นผู้ที่หลุดออกจากตรงนั้นหลุดออกแล้วเป็นผู้ที่โดดเดียวอยู่ผู้เดียวอยู่ตรงนั้นจิตที่โดดเดียวเป็นผู้เดียวหลุดออกจากอารมณ์ต่าง มันจะเริ่มเป็นสมาติเรียกว่าเป็นอารมณ ah, ์เดียวหลุดจากอารมณ์ต่างๆนะเหลืออยู่ผู้เดียวในจิตที่เป็นแบบนี้ไม่คล้องแหวกับอารมณ์ไม่คล้องแหวกับความรู้สึกมันเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่คล้องแวกกันความที่มันไม่ไปเนื่องไม่ไปคล้องแวะไม่ไปก้าวลงไม่ไปสนใจคือเกิดขึ้นอยู่แต่ก็ไม่สนใจในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่นานั้นนั่นก็เรียกว่าเริ่มเป็นสมาธิละเรียกว่าเป็นความตั้งมั่นแห่งจิต แตนะความตั้งมั่นแห่งจิต ท, ที่เกิดขึ้นไม่ไปเกลือกล้วนแต่หมายถึงสมาธิแตนะ่คือสติที่เราตั้งขึ้นเนี่ยต้งฝังบางคนเพิ่งจะเริ่มตั้งได้หรือว่าทํามาพอสมควรแล้วมันอาจจะมีบางจุดบางประเด็นที่เราอาจจะเบลอเริ่มไปบ้างแตนะ่คือมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ว่ามีสติแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าละได้เลยแต่แต่มีสติรู้ในความโกรธที่เกิดขึ้นมีสติรู้ว่าฉันมีนิวนรณ์มีสติรู้ว่ามีความฟุ้งซ่าน มีสติรู้ว่ามีความโกรธมีความเครียดอะไรต่างๆรู้ตัวอยู่ว่ามีไอการรู้ตัวการรับทราบตรงนี้นี่คือสตินะหรือว่าอย่างน้อยใจเรายังแบบไม่ลุ่มหลงไม่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นแต่คือผู้ที่ถูกกลืนกินโดยอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบของการร่ำไห้รครำกลัวทุบบกชกตัวหรือว่าการด่าทอการทำลายการปิดศีล แต่คนที่มีสติสามารถจะอย่างนา้อยกั้นไอสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมตรงนี้ได้กั้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมพวกการผิดศรรีลการด่าท้าการทำร้ายการกราไฟกราเฟียตรงนี้เนื่องจากว่าเขาทำความเปลี่ยนมาใช่ไหมทำความเปลี่ยนในการที่จะละอกุศลธรรมออกทำความเพียนในการที่จะเจริญกุศลธรรมมากขึ้ น, นการทำความเปลี่ยนตรงนี้คือการตั้งสติขึ้นละแต่จะจิตใจอาจจะแบบยังมีความฟึดฟัดฮึดฮัดมีประยศมีความเสียผิดดิ้นรนอยู่บ้างซึ่งยังละไม่ได้ แต่ว่ามีสติขึ้นละเอาตั้งขึ้นไปทําขึ้นไปค่อยๆพยา ย, ยามมากขึ้นแต่สิ่งที่จะวังได้คือจิตนั้นจะหลุดจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่ไม่ดีเหล่านั้นได้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่หลุดออกจากตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าโบสคารลมก็คือหลุดออกจากกัน่ะแต่มาจจะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่มีความรู้สึกอยู่อารมณ์นั้นก็ยังอยู่อยู่แต่ว่าไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบจิตแต่จิตจะได้ความตั้งมั่นจิตก็จะแยกกันไป จากเจ้าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นมีความคิดอยู่ก็แยกใบความคิดก็ไปอยู่ส่วนความคิดของมันฉะนั้นจะรู้ถึงความคิดนั้นอยู่แต่ความคิดนั้นก็ไม่หมาเนื่องกับจิตแต่มีความสลดมีความสังเวชเห็นสิ่งนั้นได้ยินสิ่งนี้แล้วแล้วก็มีความหดหู่มีความเศร้าใจอยู่แต่ว่าความหดหู่ความเศร้าใจนั้นก็ไม่ได้มาตั้งอยู่ไม่ได้มากลุ่มรวมอยู่ในจิตแต่ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นโวสคารมนั่นคือความที่จิต เป็นอารมณ์ันเดียวความที่จิตตั้งมั่นอยู่นี่แหละคือสมาธิสมาธิอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นได้ตามเหตปัจจัยที่เราทําคนที่มีสมาธิอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราคุณจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะสมาธิกับความคิดเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเดียวกันก็ได้เนืองเพราะว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาทไม่เกี่ยวข้องด้วยความเบียดเบียนการคิดก็คิ ด, ดเรื่องที่หลีกออกจากกามคิดไปในทางที่จะเมตตาคิดไปในทางที่จะมีความกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายในการคิดการพิจารณาน้อมไปในความเมตตากรุณาน้อมไปในการหลีกออกจากกามการสละออกการสลัดขื่นพวกนี้เป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่เป็นองค์ประกอบของเรียกว่า ฌานที่1 ห, หรือว่าสมาธิระดับที่1นึ่งซจะบอกว่าเรามีแล้วเราพิจารณาเรื่องนี้ไปทําปีติทําปราโมททาความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้ น, น, นี้จะเป็นองค์ประกอบที่เรียกว่าเป็นสมาธิในระดับที่1เป็นสิ่งที่เราจะใช้ได้อาศัยได้ทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวตัว น, นี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้ามันจะละเอียดขึ้นไปความคิดต่างๆแยกไปไม่มีดับไปแล้ว แนวะความดับไปของเจ้าความคิดต่างๆเหล่านั้นแล้วนกะ็จะทําให้จิตของเราละเอียดลงไปอีกเพราะว่าบางทีถ้าเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อนจะคิดเรื่องไม่ดีมันก็จะมีเพล่อเล่อโปรโผล่ เ, ล เ, ล เ, ลเข้ามาอันนั้นไม่เช่นเรียกว่าเป็นอาพาธของจิตถ้ามีอาพาธแล้วทําไงเอาเงินเอาอาพาธนี้ออกไปโดยการที่ละความคิดสละกความคิดคือการละการสลักความคิดบางทีถ้าบอกว่าเรายังทําไม่ได้อันนี้มันอาจจะเป็นขั้นที่เหนือขึ้นไปนะ เราก็ค่อยฝึกค่อยทำคือถ้าข้ามขั o, ้นแล้วมันจะมีการเผล ợ, ออาจจะมีการเผล ợ, ออาจจะมีการลืมสติเว่อรเว่ว่างๆไปเอ๋อยู่ที่ไหนเหมือนตกผัวั่างอย่างนี้อันนี้เราค่อยฝึกค่อยทําไปเอาเป็นว่าถ้าเรามีสติตั้งอยู่แต่มีความคิดเรื่องไม่ดีเราก็ละมันทิ้งเสียถ้ามีความคิดเรื่องที่ดีๆเราก็ให้มีสติตั้งเอาไว้อย่าลืมลมหายใจให้ลมหายใจของเรามีอยู่ตลอดแต่การมีสติอยู่ในลมหายใจตรงนี้ ลมหายใจบางที่มันเบามันแผ่วลงไปซึ่งการแผ่วเบาของลงมหายใจนี้เป็นไปนอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องไปบังคับไปแต่งมันแต่ถ้ามันเบาลงไปแล้วละเอียดลงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปบังคับให้มันแรงขึ้นมาแต่ให้เรามีสติอยู่ตั้งอยู่บริเวณเดิมสมาของลงมหายใจอาจจะแผ่วเบาจนกระทั่งเกือบจะไม่มีแต่ว่าจริงๆมันก็มีอยู่แต่มันเบามากเราลองสังเกตดูก็จุดตรงนั้นแต่พอบุคคลที่มีใจเป็นอารมณ์มันเดียว มีความตั้งมั่นแห่งจิตแต่เราใช้จิตที่เป็นสมาธิเป็นอารมณ์ันเดียวเนี่ยให้เห็นถึงความที่อะไรมันดับไปแล้วบางจริงต่างๆเมื่อก่อนความรู้สึกความคิดนึกที่มันเคยมีเคยผ่านมาเออมันก็ดับไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาไม่ใช่ไม่เที่ยงเฉพาะไอ้ความคิดความรู้สึกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยแม้สิ่งอื่นๆดินน้ําไฟลมภูเขาต้นไม้พวกนี้ก็มีความไม่เที่ยงเหมือนกัน โลกของเราไปนี้ก็เปลี่ยนแปลงจากสมัยก่อนเป็นแบบนี้มลพิษมากขึ้นคนเยอะขึ้นอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปมันวนไปเวียนไปจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างอื่นก็จะรู้ถึงความที่ไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายในะให้วิจารณาเห็นว่าแม้สังสารวัตนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงไปของมันนี้ก็ด้วยอํานาจของอวิชชาแล้วก็ตัญหาเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเรื่องกลางกั้น มีตัณหาเป็นเรื่องผูกไว้สัตว์โลกกระท่องเที่ยวไปอย่างเงี้ยจากโลกนี้สู่โลกอื่นจากโลกอื่นมาโลกนี้จากประโลกไปโลกนั้นไปไปมาๆอยู่อย่างนี้เพราะด้วยอำนาจของอวิชชาและตัณหามันพาวนเวียนไปหมุนไปไอการวนเวียนการหมุนตรงเนี้ยเรียกว่าสังสารวัตแต่ว่าความดับของอวิชชามีอยู่ความจางคลายไปของตัณหามีอยู่ ความดับไม่เหลือของอวิชชาคือความมืดเนี่ยมันดับไปได้แม้ความมืดนั้นก็ดับได้นี่แหละจะเป็นสิ่งที่สงบระงับเป็นธรรมที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปซึ่งเรื่องร้ายรัดเป็นที่ดับไปซึ่งตัณหาต่างๆแต่ความดับไปความสิ้นไปของอวิชชาดับไปสิ้นไปของตัณหาเนี่ยมันมีเราจะเห็นได้ด้วยความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนิ่งๆไม่ไหวติง จิตเป็นอรมณ์เดียวปิจารณาเห็นถึงเจ้าความดับของความยึดถือความดับของเจ้าอริชาคือความไม่รู้นแตเพราะเราดับไปได้เห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงของมันจิตน้อมไปในจุดนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาการเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นปัญญาใครก็ตามที่มีจิตตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยความเปลี่ยนด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ ตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้บุคคล น, นั้นย่อมมีความมั่นใจมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าธรรมะเหล่าใดที่เราได้เคยฟังแล้วได้เคยได้ยินแล้วในการก่อนบนเนี้เราถูกต้องทำเหล่านั้นและแทงตลอดทำเหล่านั้นด้วยปัญญาด้วย เราจะรู้เราจะเห็นเราจะแจมแจ้งอย่างชัดเจนเลยว่าไอธรรมะที่เราเคยฟังมาทั้งหมดโอมันจะวิ่งเข้าหากันตรงนี้มันจะมารวมยอดเป็นอันเดียวกันตอนที่เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความดับไปของเจ้าอวิชาตัญหาที่มันดับไปได้มันเปลีป่ยนแปลงไปได้แต่ตรงนี้จะเป็นความมั่นใจเป็นความมั่นใจเป็นความเลื่อมใสอย่างยิ่งในคำสอนของพระเจ้าว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้หมมีความดับไปเป็นธรรมดาอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีเพราะเราผ่านมาแล้วนี่เห็นอย่างแจ่มแจ้งจะจะข่าตาชัดเจนแต่ว่ามันมาแล้วมันก็เปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีมาสิ่งนั้นก็ดับไปอะไรที่มันยังไม่เคยมีสิ่งนั้นก็มีมาเราวิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แล้ ว, ลวจะทําให้อินทรีย์ของเรานั่นคือความแก่กล้าของจิตเนี่ยหมือนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นบุคคลที่มีอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้น มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นความเชื่อความมั่นใจในคําสอนของพระเจ้าในการตรัสรู้ของพระเจ้าก็จะเพิ่มขึ้ น, นเศรษาต่างเหล่านี้เราพัฒนาเราทดลองทําแล้วเห็นผลมันมีความมั่นใจแต่ความมั่นใจเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นกําลังใจให้มีการปฏิบัติมีกําลังใจในการปฏิบัติสติก็เพิ่มขึ้นสมาธิก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นเอาเห็นผลนี่ มันก็มีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้นมีความมั่นใจก็ทํามากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นสติก็ตั้งขึ้นได้สมาธิก็เกิดเห็นนามที่เป็นจริงมากขึ้นมีวัญญามากขึ้นเอาก็จําชัดในเรื่องว่าเฮ้ยมันใช่ น, นี่นะถูกต้องแล้วมาถูกทางยิ่งมีความมั่นใจ ต, ตรงนี้ก็จะทําให้อินทรีย์ของเรามีแต่ความแก่กล้ามีความแข็งแกรง่งมีกําลังมากขึ้ น, นเองเวลาที่เราฝึกเราทําเราปฏิบัติจำฟังเราสังเกตวารจิตของเราให้ดี มันหมายได้ยังไงมันไปยังไงมันจบลงตรงไหนจะมีสติอยู่ตลอดได้หรือไม่เราพัฒนาค่อยๆทําไปตามฝั่ ง, งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องอยากเป็นเรื่องที่ทาได้แต่ถ้าได้ที่ยังมีคําสอนเรื่องของมรรคแอยู่เราสามารถทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้เราสามารถทำใจของเราให้เป็นสมาธิมีสติเป็นอารมณมันเดียวจะมีสิ่งใดมากระทบแล้วก็ให้เรามีสติตั้งขึ้นไว้ดีไม่ดีก็ตามก็เรื่องของโลกใช่ไหม อาจจะดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างก็เป็นธรรมดามีปัญหาก็าแก้กันไปค่อยๆพูดค่อยๆจามีความอดทนกันเราจะสามารถอยู่ในโลกนี้ได้มีความสุขอยู่ในโลกนี้ชนดิดที่ว่าเหนือจากการควบคุมของมันก็โดยเป็นผู้ที่เหนือโลกนั่นเองข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุโ น, โนจารย์ปอี